แต่พระคุณเจ้าคำพูดของท่านถ่วยบรรเทาความทุกโศกของที่ฉันได้มากทีเดียวเป็นพระคุณอย่างร่นเหลือที่ช่วยให้แสงสว่างแก่ฉันแต่สาหรับบุตรนั่นดิฉันรักเขาเรือเกินเมื่อเขาตายจากไปจึงสุดวิสัยที่จะหักห้ามความโศกไว้ได้ดูก่อนอุบาสิกาพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยบุตรคนอื่นตายวันนั้นหลายคนนางก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะนางไม่มีความรักในเขาเหล่านั้นถ้าญาติทางหาของนางตายลงนางก็จะโศกบางเพราะมีความรักในเขาอยู่ด้วยแต่พอบุตรชายของนางตายลง นางก็โศกเศร้าที่สุดเพราะนางรักเขามากที่สุดเพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงสอนไม่ให้ยึดถืออะไรมากเกินไปไม่ให้ถลำตัวเข้าไปรักจนลงไม่ให้ตั้งความรักแน่วแน่ไว้ในสิ่งใดเพราะผิดหวังจะเกิดทุกข์จะไม่ให้ตั้งความหวังไว้เลยเชียวหรอคะจะตั้งความหวังก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรคะ ก่อนที่จะตั้งความหวังนั้นจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมเตรียมตัวไว้ให้พร้อมหรือคะพระคุณเจ้าถูกแล้ว ตเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสําหรับเผชิญกับผลทั้งสองอยา่างผลทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรคะผลทั้งสองอย่างก็คือความสมหวังและความผิดหวังงานทุกอย่างมีคติเป็นสองคือสําเร็จล้มเหลวกีฬาทุกอย่างก็มีผลสองคือแพ้กับชนะถ้ารักจะเล่นกีฬาต้องยินดีรับทั้งสองอย่างชีวิตนี้มีรถอยู่สองรถ คือหวานกับขมเราต้องพร้อมที่จะรับทั้งสองอย่างไม่มีใครได้รับแค่รสหวานอย่างเดียวตลอดชีวิตหรือขมอย่างเดียวตลอดชาติต้องได้รับทั้งสองอย่างคลุกคล้าวสลับกันไปต้องมันพิจารณาให้เห็นสภาพความจริงข้อนี้และเตรียมตัวไว้ให้พร้อมผู้ไม่เตรียมตัวไว้เมื่อประสบรสหวานของชีวิตย่อมเป็นบ้าทำไมถึงเป็นบ้าล่ะคะ ที่เป็นบ้าก็เพราะความดีใจมากนั่นเองและผู้ที่ประสบรถขมล่ะคะก็เป็นบ้าอีกเพราะความเสียใจเพราะเหตุนี้จึงให้เตรียมตัวไว้ยังไงละ่ะผู้ที่เตรียมตัวไวย่อมยิ้มเสมอทั้งในคราวสุขทั้งในคราวทุกข์ทั้งในคราวสมหวังและผิดหวังใจของเขาเข้มแข็งมั่นคงดุดขุนเขาหิมาลัยอันไม่รู้จักวันไหว เขาลมโหมพัดพามาจากทิศ ท, ทั้งสี่ดูก่อนอุบาสิกาธรรมดาคนเราเมื่อรับ ก, กันย่อมปรารถนาดีต่อกันเมื่อทางกันย่อมมุ่งร้ายต่อกันนารักบุตรของนางปรารถนาดีต่อบุตรของนางไม่ใช่หรือโกรก้าพระคุณเจ้าไอ้ฉันรักเขาย่งกว่าตัวเองเสอีกทำมืวิธีใดที่จะทําให้เขามือความทุกข์ได้ ดีฉันจะทำจนสุดความสามารถทีเดียวแต่เวลานี้เขากอตายไปเสแล้วดีฉันจะช่วยเขาได้ยังไงได้สิมีทางช่วยเขาได้มีทางช่วยได้เด้อคะพระคุณเจ้าถูกแล้วมีทางช่วยอยู่ทางหนึ่งทางไหนคะการอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอุทิศส่วนกุศลนั่นแหละจะช่วยเขาได้นางจงให้ทานแก่ปฏิคาหก ผู้สมควรแก่นานปฏิคาหกคือผู้รับทานหรือตั้งใจรักษาศีลในวันอุโบสถหรือกระทาคุณงามความดีอื่นๆและตั้งใจแผ่ส่วนกุศลไปให้บุตรของนางเขาก็จะได้รับและมีความสุขสมปรารถนาของนางค่ะแต่ท่านพูดจเจริญอีกท่านยังไม่เข้าใจคำพูดของท่านเลยค่ะนางไม่เข้าใจอะไรล่ะ บุตรของดิชันน่สิคะเขาตายไปแล้วแต่วเวลานี้ไม่ทราบว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกิงๆนะคะ่ะเวลานี้บุตรของดิฉันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบคะ่ะนางอาจจะไม่ทราบ แต่บุตรของนางย่อมทราบเสมอว่านางอยู่ที่ไหนโปรไทความกระจ้างกับอีกท่านมากกว่านี้หน่อยเถอะค่ะสมมุติว่าวันห น, น, นึ่งนางหนีไปใช จ, จากบู่บ้านของนางโดยไม่บอกให้ใครรู้ลวงหน้าสามีของนางย่อมไม่รู้ว่านางไปอยู่ที่ไหนแต่ตัวนางเองแม้จะไปอยู่ที่ไหนไกลสักเท่าไหร่ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าสามีของนางอยู่ที่บ้านนั้นใช่หรือไม่ใช่ เอาละ่ะอีฉันขอถามค่ะต้องการถามอะไรละ่ะถ้าสมมุติว่าดิฉันต้องการจะส่งอาหารไปให้บุตรดิฉันควรจะทํำยังไงคะนางก็ให้อาหารเป็นทานให้อาหารเป็นท า, า, า, านแก่ใครล่ะคะให้เป็นทานแกยาจบวั น, นิพกหรือสมณะพราหมณ์แล้วอุทิศส่วนบุญให้ไปเอออีฉันตสงใจค่ะ นางยังสงสัยอะไรอีกเมื่อดีฉันเอาอาหารไปถวายแก่พรามพรามท่านก็บริโภคจนหมดสิ้นไปแล้วอาหารจะไปถึงบุตรอีิจฉันได้ยังไงคะอัตมาไม่ได้พูดว่าอาหารนั้นจะลอยไปถึงบุตรของนางความจริงแล้วไม่มีวัตถุสิ่งใดไปยังบุตรของนางได้เอ๊ะแล้วไทยยางงาั้นฟังอัตมาก่อนค่ะดิฉันจะฟังค่ะที่อัตมาว่า ไม่มีวัตถุสิ่งใดไปยังบุตรของนางได้นั้นก็เพราะว่าเขาได้จากโลกนี้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งจิตใจเป็นโลกละเอียดจะไม่สามารถจะรับเอาวัตถุห ย, ยาบๆเช่นอาหารของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นอาหารและวัตถุอื่นๆไม่สามารถจะสําเร็จประโยชน์แก่บุตรของนางโดยตรงได้การที่อาตมาแนะนําให้นางเอาอาหารไปถวายสมณะก็เพื่อให้อาหารหยาบนั้น กลายเป็นของละเอียดคือบุญกุศลซึ่งชีวิตอันละเอียดของบุตรนางอาจจะได้รับจริงอยู่เมื่อนางเอาอาหารไปถวายพระท่านก็บริโภคหมดแต่เบื้องหลังการถวายการบริโภคและการหมดไปนั้นก็ได้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอะไรเหรอคะสิ่งนั้นก็คือความดีหรือบุญกุศล บุุญกนถูกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดีหรือบุญกุศลนั่นเองและท่านก็อุทิศกุศลนี้แหละไปยังบุตรของนางหมายความว่าบุตรของนางเป็นวิญญาณละเอียดให้สามารถรับของหยาบได้นางจะเอาของหยาบไปแลกของละเอียดส่งไปให้เขาอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าบุตรของนางไปตกทุกข์ได้ยากอยู่เมืองไกล นางสงสารเขาปรารถนาจะส่งเรือนไปให้เขาอยู่สักหลังหนึ่งนางจะส่งเรือนทั้งหลังไปให้เขานั้นย่อมทำไม่ได้อย่างแน่นอนนอกเสกจากว่านางจะขายเรือนนั้นซะแล้วเอาเงินซึ่งเป็นของละเอียดและเบาส่งไปให้เขาเมื่อเขาได้รับเงินจากนางแล้วเขาก็อาจจะนำเงินนั้นไปซื้อเรือนได้ตามประสงค์เรือนเปรียบเสมือนอาหารวัตถุที่ใช้ทำบุญ การขายเรือนคือการนำเอาอาหารวัตถุนั้นไปถวายแก่ผู้มีศีลเงินที่ได้จากการขายเรือนคือบุญกุศลที่ได้รับจากการทำบุญนั้นบุญกุศลนี้แหละนางอาจจะส่งให้บุตรของนางได้เพราะบุญกุศลเป็นของละเอียดไม่มีตัวตนเช่นเดียวกับวิญญาณอันละเอียดของบุตรชายนางดิฉานเริ่มเข้าใจบ้างแล้วละค่ะดีแล้วที่นางเข้าใจ แต่ว่าอะไรเหรอดกฉันยังมีข้อสงสัยอยู่บางอย่างคะ่ะนางสงสัยอะไรการทวงเงินไปให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นตามปกติมักจะมีคนนําไปให้เพราะเงินทองเป็นของมีตัวมีตนแต่บุญกุศลเป็นของไม่มีตัวตนเราจะส่งไปยังไงใครจะเป็นผู้นําไปให้แกผู้ที่เรามุ่งประสงค์คะ การอุทิศกุศลไปให้ผู้ตายนั้นตามสภาพความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรมาไม่มีคนนําไปเท่าที่อาตมาเปรียบเทียบการส่งเงินให้ฟังนั้นก็เพื่อเป็นการเข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลไปถึงผู้ตายได้อย่างไรนั้นอาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่านางท่งบุตรชายไปอยู่สํานักทิสาป่าโมกแห่งเมืองตักกศิลา เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยานางรักลูกชายมากเป็นห่วงคิดถึงเขามากใจจดใจจอ่อคอยฟังข่าวจากเขาทุกวันต่อมาได้ทราบว่าบุตรชายแทนที่จะไปศึกษาเล่าเรียนกลับไปประพฤติเสียหายโดยประการต่างๆจนอาจารย์ขับเสีย จ, จากสำนักเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้นางจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดิฉันจะเป็นทุกข์มากทีเดียวค่ะ อะไรล่ะที่ทาให้นางเป็นทุกข์ความประพฤติ ท, ทั่วของบุตรชายน่ะสิคะทีนี้สมมุติว่าต่อมานางได้ทราบข่าวใหม่ว่าบุตรชายกลับตัวได้แล้วเขาได้เข้าหาอาจารย์ขออภัยโทษแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยดีประพฤติชอบจนเป็นที่รักของอาจารย์และเพื่อนฝูงทั่วไปใครๆก็พากันยกย่องชมเชยว่าบุตรของนางดีเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้ นางจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือทุกข์เป็นสุขสิพระคุณเจ้าอะไรทำให้นางเป็นสุขการที่บุตรชายของทิฉันกลับโตเป็นคนดีนั่นละคะ่ะดูก่อนอุบาสิกาการกระทาดีหรือชั่วของบุตรชายนางซึ่งอยู่ไกลถึงเมืองตักศิลาสามารถให้สุขและทุกข์แก่นางได้ชันใดการทำดีหรือชั่วของนางในโลกนี้ อาจให้สุขและทุกข์แก่บุตรของนางผู้อยู่โลกอื่นได้ฉะนั้นถ้านางคิดถึงลูกชายที่ตายไปแล้วปรารถนาให้เขามีความสุขก็จงทำแต่ความดีแล้วตั้งใจอุทิศไปให้เขาการตั้งใจอุทิศถึงเขาเป็นวิธีการแสดงว่าท่านยังเป็นห่วงและคิดถึงเขาอยู่ยังถือว่าเป็นลูกเป็นเต้าอยู่ความจริงเพียงแต่นางทาความดีเท่านั้นเขาก็เป็นสุขพอแล้ว แต่ถ้าเขาทราบว่านางทำดีเพื่อเขาโดยเฉพาะเขาจะดีใจและมีความสุขยิ่งขึ้นสาธุข้าแต่ท่านพุทธเจริญท่านได้ให้แสงสว่างยิ่งใหญ่แก่อิชันโดยแท้ ท่านเป็นผู้ที่ทางแต่ที่ท่านผู้กลำลังหลงทางท่านเป็นผู้ทุกข์ที่ทานขึ้นมาจากปรักแห่งความโงกและความโศกดิฉันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ค่ะดีแล้วอาตมาดีใจข่าแต่ท่านผู้จเจริญดิฉันไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่าน นอกจากของเล็กน้อยนี้อะไรละ่ะนั่นนางแก้ห่อผ้าออกมาทาไมเพื่อจะเอาของมอบให้กับท่านอะไรเหรอเครื่องประดับค่ะท่านเครื่องประดับเครื่องประดับดาวนี้มีค่ามากดยฉันเก็บไว้ตั้งใจจะให้บุตรชายแต่เมื่อเขาตายจะแล้วดิฉันจะขอถวายแกพระคุณเจ้า ขอได้โปรดรับเถอคะค่ะดูก่อนอุบาสิกาอัตมาเป็นสมณะผู้สละแล้วซึ่งกิเลส ท, ทั้งปวงอัตมาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากอาหารพอเลี้ยงกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วผ้าพอปกปิดร่างกายเท่านั้นฉะนั้นอัตมาจึงไม่สามารถรับของนางได้นางเก็บเอาไวเ้เถอะพระคุณเจา้ารับเอาไปเถอคะค่ะ ดิฉันตัดเป็นใจแล้วที่จะถวายสิ่งราวนี้แก่ท่านเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงรูปถ้าไม่เห็นแก่ดิฉันก็ต้องเห็นแก่ลูปของดิฉันด้วยเถิดค่ะถ้าอย่างนั้นจงวางของลงบนพื้นข้างหน้าอาตมาค่ะพระคุณดาวเป็นอันว่าอาตมารับผ่านของนางแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนทานใหม่ เกิดแก่นางแล้วจงอุทิตส่วนกุศลนั้นถึงบตรของนางเถิดดูก่อนอุบาสิกาเรื่องจากทองจำนวนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสาหรับอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาขอให้เป็นทานคืนแก่นางและขออุทิตส่วนกุศลนี้ถึงบตรชายของนางด้วยเอาละอาตมาขอลาก่อนขอบคุณพระคุณเจ้าอย่างมาก ที่ช่วยที่แสงสว่างให้ดิฉันในที่สุด นับจำภาษาที่บ้านโกกีลาคามแขวงกงราชครืชาวบ้านเอื้อเฟือช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆหลังหนึ่งให้ที่เชิงเขาใกล้ลำธารข้างหลังกุฏิเป็นเนินเขาสูงขึ้นไปข้างหน้ากุฏิมีสวนหินกว้างใหญ่ราบเรียบบริเวณ ร, บรอบๆมีต้นทองกวาวใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทำให้แผ่นหินรื่นรมน่านั่งพักยิ่งนัก ถัดจากแผ่นหินลงไปเป็นลานดินกว้างพอประมาณที่ลานดินมีกุฏิเล็กๆอีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของอุบาสกคนหนึ่งชาวบ้านจัดไว้ให้คอยกรนดิบัติต่อจากนั้นก็เป็นก้อนหินสูงบ้างต่ำบ้างเรียงรายลดหลั่นไปคล้ายบันไดธรรมชาติจนถึงลำทานที่ลำทานมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งโค่นล้มลงไปด้วยพายุเมื่อนานมาแล้ว นอนพาดขวางลำธารกลายเป็นสะพานธรรมชาติสำหรับข้ามไปบินทบาทในหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณห้าร้อยชั่วคันธนูบริเวณนั้นอุดมไปด้ป่านาน า, น า, นานชนิดที่นั้นนอกจากจะอุดมไปด้วยป่าแล้วยังอุดมไปด้วยสัตว์ต่างๆอีกด้วยยางนั้นแหละมีป่าก็ย่อมมีสัตว์ก็เหมือนจะมีตั้งแต่มแมลงตัวเล็กๆที่ร้องเสียงแหลมในยามค่า ค, คืน จนกระทั่งถึงไก่ป่าและนกกระทาน่ะพูดถึงก็มาคุยเคียหาอาหารอยู่นั่นรู้มันไม่หวาดกลัวท่านเลยอ๋อจริงสินะท่านเป็นผู้มีใจเปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมมันจะกลัวทำไมสัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนของอาตมาทําให้ตอนกลางวันมีชีวิตชีวาแต่ยามราตรีเงียบส ง, งัดตุดป่าชา้าท่านคงจะเหงามากเปล่าเลย มีอุบาสศกไก่ป่านกกระทาจักจันเรไรและพึกษชาติอันร่มเย็นแค่นี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่ให้ความอบอุ่นแกอัตมาความจริงแล้วที่นี่สงบสบายนนาอยู่นะท่านคุนเขาลำนาไพครคือบ้านเดิมของมนุษย์ได้กลับมาเห็นบ้านเดิมอีกรู้สึกว่าน่าอยู่มากทีเดีย ว, วยไไ ไปไฟใหญขึ้นแล้วไฟไหญ่ทินเราคือมืจะทางหมู่บ้านโกงยายไฟลุกท่วง ด้วยด้ยเร็วด้วยวันนี้ก็จก่อข่าพระเจ้าและบุตรภรรยาจะอดตายซะ ก, ก่อนพระคุณเจ้าต้องรีบช่วยอัตมาจะลงมือช่วยเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวออแต่ขอให้อุบาสกสงบจิตใจเออลืมเรื่องไฟไหม้ไปชั่วคราวก่อนจะให้ลืมได้ยังไงก็ไฟไหม้บานข่าพรเจ้านี่ละการช่วยเหลือสงบใจไว้ก่อนสิอุบาสกจงตั้งใจให้สงบประงับแล้วคอยฟังเรื่องที่อัตมาจะเล่าให้ฟัง เพราะคุณเจ้ามีเรื่องอะไรจะเล่าอุบาสกไม่อยู่ในความสงบและจะรู้ได้ยังไงเอาละเอาละข้าเป็นเจ้าะจะอยู่ในความสงบและจะพยายามสัมรวมใจเป็นอย่างดีดีแล้วเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในระหว่างที่อาตมาเดินทางท่องเที่ยวมาโดยลําดับนั้นวันหนึ่งได้พักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเช้า ว, วันรุ่งขึ้นก็เข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านตามวิสัยสมณะขณะที่เดินไปตามถนนใหญ่ สังเกตเห็นฝูงชนกำลังรุมดูอะไรเป็นกลุ่มใหญ่จึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้เพื่อจะดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วอาตมาก็เห็นคนสองสามคนกำลังจับชายอีกคนหนึ่งดึงถูรูถูกลังออกมาจากโรงทำหม้อของนายช่างหม้อ ไมเจ้าไปไนี่มาจโรงทำมอของเจ้าลามันไปที่ไหนไกลไปเลยนไปเลยเจ้าไปสิไปแปลกมาก็ไปไหนลยนะเจ้าคนบ้าคืนจะเจบไปนะไไปมีเรื่องอะไรเหรอชายคนนั้นเป็นใครทำไมต้องฉุดกระชากลากตัวมาอย่างนั้นด้วยชายคนนั้นเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อคืน เลยมาขออาศัยพักบ้านนายช่างหมอ่อบอกว่ารุ่งขึ้นจะออกเดินทางต่อไปขออาศัยคืนเดียวเท่านั้นนายช่างหม่อก็ยินดีจัดที่พักให้ด้วยอัธยาศัยไมตรีหาของใช้จําเป็นต่งางๆมาให้พ่อรุ่งขึ้นชายคนนั้นกลับทำเจ็บแสบซะนี่ชายคนนั้นทํำยังไงจึงเรียกว่าเจ็บแสบชายคนนั้นไม่ยอมไปทึกทักเอาว่าโรงทําหมอ่อและทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้นะเป็นสมบัติของตัว ไม่ยอมออกไปจากโรโมร่เข้าใจว่าคงเป็นบ้าข้าพเจ้าไมา่บ้า น, นั่นโรโมร่ของข้าพเจ้าของทั้งหมดจะเป็นของข้าพเจ้าบ้าแน่ๆนเลยลากตัวไปทิ้งให้ไกลเร็ว เช่นนั้นเข้าท่านจะคิดยังไงท่านจะคิดว่าชายคนนั้นเป็นบ้าหรือเป็นคนดีอ๋อฮชายคนนั้นต้องเป็นบ้าแน่แน่ไปเหมาเอาของเขาเป็นของตัวทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยถ้าชายคนนั้นบ้าคนทั่วทั่วไปก็บ้าด้วยเอ๊ะทำไมเงี้ย น, น่ะอาตมาจะชี้แจงเหตุผลให้ฟังโลกนี้คือโรงงานของนายช่างม่อคนทุกคนเป็นแต่ผู้มาขออาศัยอยู่ชั่วคราว ในไม่ช้าก็ต้องจากไปเรามาสู่โลกนี้ได้ตัวเปล่าสมบัติชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมาทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นบ้านเรือนไรนาผ้าผ่อนเงินทองเราหามาเองทีหลังทั้งสิ้นเมื่อถึงคราวที่เราจะลาโลกนี้ไปแล้วเราต้องทิ้งทรัพย์สมบัติล่านี้ไว้เบื้องหลังจะมีมากน้อยเท่าไรก็เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าสมมติว่าทุกคนตายหมด ทรัพ ส, สมบัติจะตกอยู่กับโลกนี้เองมันจะกลับคืนไปหาโลกซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของมันเราทุกคนไม่ใช่เจ้าของเราเป็นผู้ขออาศัยอยู่ชั่วคราวในไม่ช้าก็ต้องจากไปทิ้งสิ่งต่างๆไว้ให้ผู้อาศัยที่หลังใช้กันต่อไปเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทรัพย์ของเราอยู่ที่ไหนท่านตอบได้ไหมข้าพรเจ้าไม่สา ม, มารถตอบได้หรอกทรัพย์ของเราไม่มีแต่คนส่วนมากเข้าใจว่า บ้านของเราเงินของเราเสื้อผ้าของเราไรนาของเราติดอยู่กับวัตถุเหล่านี้ไม่อยากให้ตนพลากจากสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้พลากจากตนเมื่อเกิดการพัดพรากก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้รำพันเช่นเดียวกับชายแปลกหน้าที่เข้าไปขอพักในโรงงานของนายช่างหม้อแล้วทึกทักเอาว่าเป็นของตน ถูก็ขาผลักใสให้ออกไปก็ไม่ยอมออกฉะนั้นอัตมาจึงกล่าวได้ว่าคนส่วนมากก็บ้าเหมือนชายคนนี้ดูก่อนอุบาสกอย่าเสียใจเลยที่ท่านต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติเพราะถูกไฟไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเรายืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นบัตรนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเรียกเอาของเขาคืนเราก็ควรคืนให้เขาไปได้วยความยินดี ในเมื่อชีวิตร่างกายของเรายังอยู่เราก็หาเอาใหม่อย่าเศร้าโศกเสียใจทําใจให้เข้มแข็งเอาไว้ในชีวิตท่านจะสร้างฐานะของท่านให้มั่นคงได้อย่างเดิมโอ้ท่านผูเน้เจริญเทศนาของท่านให้ความสว่างแจ่มายแก่จิตใจข้าพเจ้ า, าข้าพเจ้าไม่เคยได้ฟังเหตุผลเช่นนี้มาก่อนเลยเข้าใจว่าทรัพย์ทั้งหลายเป็นของตนจริงๆแต่ที่แท้มันเป็นเพียงวัตถุธาต ที่เราขอเยื่ไว้ใช้ชั่วคราวในระหว่างที่มาอาศัยอยู่ในโลกเทนั้นเองเมื่อเข้าใจเหตุผลข้อนี้แล้วทําให้ข้าพระเจ้าสบายใจขึ้นมากทีเดียวดูก่อนอุบาศกคนสามัญทุกคนย่อมตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่งโมหะคือความหลงหรือความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เขากลับเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือเป็นจริงเป็นจัง ตามความเข้าใจของตนนั้นเข้าใจผิดอะไรบ้างเข้าใจผิดในเรื่องทรัพย์ว่าทรัพย์เป็นของตนจริงๆทั้งๆที่ทรัพย์เป็นแต่เพียงวัตถุธาตุที่มีอยู่กับโลกเมื่อคิดว่าทรัพย์เป็นของตนที่ติดอยู่ในทรัพย์ทําชั่วเพราะทรัพย์แล้วก็เป็นทุกข์เพราะรัพย์บางคนได้ยศแล้วก็หลงยศคิดว่ายศเป็นของจริงจังติดแน่นอยู่ในยศ วุ่นวายเพราะยศทำชั่วเพราะยศแล้วก็เป็นทุกข์เพราะย์ตามความเป็นจริงยศถาบรรดาศัตด์เป็นเพียงสิ่งสมมุติกันขึ้นไม่มีอยู่โดยตัวข้อมันเองในช่างอาจจะเอาดินไปปั้นเป็นหม้อเป็นไหเป็นถ้วยชามเป็นตุ่มน้ำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่ในที่สุดมันก็ลงเป็นดินอยู่นั่นเองจริงหรือไม่ละ่ะ เป็นความจริงพระคุณเจ้ายังมีอีกหลายอย่างนะที่อาตามาจะพูดพูดเถอะพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะฟังคือไม่เพียงแต่ที่พูดไปแล้วเท่านั้นคนเราเขาอาจจะสมมุติให้เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตร เป็นจันทานเป็นนายบ้านเป็นทหารเป็นเสนาบดีเป็นราชาและอื่นๆอีกแต่ในที่สุดเขาก็เป็นคนหนึ่งเหมือนคนทั้งหลายในโลกที่ต้องเกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันยศทั้งหลายเป็นแต่เพียงสมมุติแต่ยศที่แท้จริงของทุกคนนั้นมีอยู่ท่านทราบไหมว่าอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบ ยศที่แท้จริงของคนทุกคนก็คือสัตว์โลกไงสัตว์โลกรักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดหนายต่อทุกถ้าคนเราคิดอยู่เสมอว่าคนเป็นเพียงสัตว์โลกคนหนึ่งเขาจะไม่หลงไหลกับยศภายนอกที่คนสมมุติให้เขาจะไม่ฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหอิมเขาจะเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วทาแต่ความดีผลก็คือ ความสงบสุขก็เกิดมีในชุมชนนอกจากทรัพย์ละยศที่กล่าวแล้วคนเรายังหลงเข้าใจผิดในสิ่งอื่นอื่นอีกมากมายจนจระไนไม่หวาดไหวแต่พอสรุปได้ว่าผู้ใดมีสิ่งใดก็มักจะหลงไหลในสิ่งนั้นมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญเหตุผลของพระคุณเจ้าให้ความสว่างแก่ข้าพเจ้ามากทีเดียวข้าพเจ้ายังหลงไหลอะไรต่อมิอะไรอยู่ เขาได้โปรดทีแจ้งวิธีแก้ความหลงแก่ข้าพเจ้าด้วยดูก่อนอุบาสกวิธีแก้ความหลงอาจจะทําได้ไม่ยากนะ่ะโปรดทีแนะข้าพเจ้าด้วยเมื่อท่านรู้ตัวว่าเป็นผู้หลงก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะแก้ความหลง ด, ดุบุรุษหลงทางถ้ารู้ว่าตนหลงทางจะพบทางถูกในไม่ช้าถ้าไม่รู้ว่าตนหลงทางก็จะเดินทางผิดเรื่อยไปไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางได้เลย ท่านทราบแล้วว่าความหลงคือความไม่รู้ความจริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตมืดมัวเพราะมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในจิตใจดุดน้าที่เต็มไปด้วฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุดคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกขัดเคืองในตามองอะไรไม่เห็นถนัดแล้วก็เข้า